ปัญหาที่สองถามเรื่องทาบาปทำบุญพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระ น, นักเสนคำว่าผู้ใดทาบาปกรรมตั้งหนึ่งร้อยปีแต่เวลาจะตายได้สตินึกถึงพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ดังนี้ข้อนี้โยมไม่เชื่ออีกคำหนึ่งว่าทาปานาติบาตเพียงครั้งเดียวก็ไปเกิดในนรกได้ ขอนิยมก็ไม่เชื่อพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรก้อนหินเล็กๆทิ้งลงไปในแม่น้ําจะล อ, อยขึ้นบนน้ําได้หรือไม่ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าก้อนหินตั้งหนึ่งร้อยเล่มเคลียนเขาขนลงบรรทุกเรือเรือจะล อ, อยอยู่บนน้ําได้ไหมได้พระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพร บุญกุศลเปรียบเหมือนเรือเพราะธรรมดาเรือของพวกพ่อค้ามีภาระหนักหาประมาณมิได้บรรทุกของหนักเกินไปก็จมลงในน้ำฉันใดคนที่ทำบาปทีละน้อยทีละน้อยจนบาปมากขึ้นก็จมลงไปในนรกได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่วิทน้ำเรือทำให้เรือเบาก็จะข้ามฟากไปถึงท่าคือ น, นิพพานได้ฉันนั้น ขอถวายพระพรถูกแท้พระผู้เป็นเจ้า